ปัญหาด้ชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวยจรทั้งหลายสําหรับวันนี้ก็มาปราบกันเรื่องอาหารเรบริกูได้สัญญาคำว่าอาหารเรปริกูได้สัญญานี่แปลว่าเราพิจ า, ารณาหันมาเป็นของปฏิกูล สำหรับพระกรรมฐานก่อง น, นี้องคสมเด็จพจินสีสอนไว้สําหรับบคุคคลผู้มีจริตเป็นพุทธจริตก็คือเป็นคนฉลาดเช่นเดียวกับทรงสอนทาสี่รูปสมานุสติกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานเพราะว่าในบคุคคลผู้มีความฉลาดนี้องคสมเด็จพจินสีให้กรรมฐานไว้สามอย่าง เ่อหนึ่งมรณ า, า, านุสติกรรมฐานสองอาหารตปฏิโกสัญญาสามจมเจตุธาตุกรรมฐานสสอุปสมานุสติกรรมฐาน 4. อย่างด้วยกันสำหรับคนฉลาดกรรมฐานสี่อย่างนี่คนโง่ไม่เกี่ยวแต่ว่าธานในตอนต้นโง่แล้วต่อมาฉลาดแล้วใช้ได้ ถ้ายังมีความฉลาดไม่พอห้ามใช้ที่ห้ามในใครห้ามอาตมาห้ามเองพระพุทธเจ้ายังไม่ห้ามพระพุทธเจ้าไม่ทรงห้ามแต่ว่าไม่ทรงประทานให้ทั <c oughs> ้งนี้เพราะอะไรเพราะถ้าว่าคนโง่ไปใช้ข้าวมองไม่เห็นมองมองไม่เห็นก็ย่าเกิดอาการกลุ่มกลุ่มแล้วดีไม่ดีก็จะไปโกรธพระพุทธเจ้า ว่าของดีแท้ๆ ท, ทาไมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังกล่าวว่าเป็นของไม่ดีในรี่สุดก็จะเลยนึกด่าพระพุทธเจ้าขึ้นมามันก็อย่าซวยกันใหญ่เป็นอันมาองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่ทรงประทานให้ก็อย่าพึ่งใช้ถ้ายังคิดว่างโง่อยู่แต่ก็แปลกนะถ้าคนใดมีความรู้สึกตัวว่างโง่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าบคุคคลนั้นฉลาดแล้ว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 พระที่เป็นปุถุชนคนที่หนานแน่นไปด้วยกิเลสพระผู้นี้จะถูกพระผู้นั้นเฉดออกจากสถานที่เกลียดเขาเกลียดเขาอยู่กับเขาไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าขัดคอเขาความจริงท่านไม่ได้ไปเขาไม่เข้าไปขัดคอด้วยความจริงใจแต่ว่าปฏิปทาเขาหนั่นนั่นท่านนั้นแหละเข้าไปขัดคอเขาคือมีปฏิปทาไม่เหมือนกันเพราะพระ ผู้ทรงฌานยังมีฌานทรงอยู่คนดีเมื่อเข้าถึงความเป็นพระอริยเจากก้าคนดีพระทั้งหลายเหล่านี้ท่านไม่สะสมในทรัพย์สินเป็นนักเสียสละเป็นนักเกื้อกูลกับให้แก่สังคมแต่สำหรับท่านที่มีความนิยมในทรัพย์สินคือเป็นชาพวกโลกีวิสัยกำลังใจยังสั่งสมอยู่ก็เลยไม่ชอบใจท่านพวกนี้เห็นว่าเป็นการทาลายความดีของตน เล่พระอริยเจ้าในศาสนาเขาอ ง, องค์สมเด็จปทศพลโดนพระผู้นี้เล่นงานผลปีมันนับไม่ทนไม่ว่าที่ไหนมีที่นั่นเหมือนไว้แต่ว่าท่านจะของถิ่นผู้นั้นท่านจะมีใจเป็นธรรมถ้ามีใจเป็นธรรมท่านก็เห็นด้วยแกการกระทําของพระอริยเจ้าทุกประการที่พูดมานี่ไม่ได้บอกว่าจตมาเป็นพระอริยะนะเท่าที่เห็นมา บางท่านมีอุปนิสัยคล้ายพระอริยเจ้าท่านจะเป็นแล้วไม่เป็นก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่สั่งไม่สมไม่กอบไม่โกยได้ถ้าเก็ได้รับสการะมาเท่าไรก็แจกจ่ายไปเท่านั้นเป็นส่วนสาธารณประโยชน์ทำให้เป็นประโยชน์แก่สังคมสมาคมแต่ว่าคนที่รับนั่นแหละ ดีไม่ดีก็ระดมคาแช่งคด า, คางงด่าการินธาสนเสริญดีไม่ดีก็จะไล่ไปจากที่อันนี้มีเยอะทุกสถานที่ไม้แ้่ครูบาศรีวิชัยท่านจะเป็นอะไรอาตมาก็ไม่ทราบแต่ว่าจริยาของท่านน่ารักคล้ายพระอริยเจนะ้านี่ไม่ใพยากรณนะ์ฟังให้ดีว่าคล้ายๆกันมีนักเป็นนักเสียสละ ในหลวงปู่ชุมาา่มภาษาที่โกรก็ดีเป็นนักเสียสละสร้างเป็นที่สธาธารณประโยชน์ไม่รู้ว่ากี่สิบแห่งอย่างนี้ท่านนั่งไหลเหล่านั้นก็โดนดีจากพวกเอาธทำอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตัวท่านเองท่านก็ยิ้มเสมอเหมือกันใครจะด่าจะว่าจะนินทาท่านก็ยิ้มท่านก็มีความสุขใจแด้คนที่นินทาว่าร้ายเกิดความทุกข์ ถึงกับความบีบัตเลยก็มากมายมันเป็นอันว่าผลแห่งอาธรรมย่อรรมทำให้บุคคลทั้งหลายเหล่านั้นมีความทุกข์เป็นเรื่องของเขาตอนนี้ก็มาพูดกันจะพูดเรื่องอาหาเรปฏิโกฏสัญญาแล้วไปกันยังไงก็ซะก็ไม่รู้ไดพูดให้ฟังเป็นอันว่าธรรมสี่อย่างในสมเด็จพระสัมมาสมาัมพุทธเจ้าสอนแก่คนฉลาด หาว่าใครยังคิดไม่ออกก็จงอย่าเอาไปใช้นะมันจะหนักใจปเปล่าๆถ้าความนิยมเกิดขึ้นมามารายเห็นด้วยแล้วพาให้ทราบถอะว่าท่านเกือบจะเข้าพระนิพพานอยู่แล้วเป็นนั้นว่าในเรื่องนี้องค์สมเด็จพระบระีบแก้วให้พิจารณาแบบนี้คือว่าเวลาที่เห็นอาหารเข้าเมื่อใครก็นำอาหารมาให้คนดี ในเราจะปรุงบริโภค ก, ก็ดีอ ง, งสมเด็จพระจินสีทรงดัดว่าจงอย่าติดในรถของอาหารจงอย่าติดในกลิ่นของอาหารจงอย่าติดในสีของอาหารว่ารถของอาหารดีรถเลิศเป็นที่ชอบใจอย่างนี้ถ้าไม่มีแล้วบริโภคอาหารไม่ได้ยานี้เขาจะมาติดในรถอาหาร บางรายก็ติดในกลิ่นของอาหารอาหารประเภทนั้นมีรสเสมอกันแต่กลิ่นมันไม่เหมือนกันต้องเติมน่นนิดต้องเติมนี่หน่อยให้กลิ่นจะนั้นมันมีจริงจะกินได้ <c oughs> บางท่านรส ด, ดีแล้วกลิ่นดีแล้วแต่สีมันไม่สวยจะต้องปรุงสีก็อาหารให้เป็นประเภทนี้จริงจะกินได้รวมความแล้ว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 แกเร็วเพราะอะไรเพราะใจมันไม่สบายเทเห็นอาหารมีกลิน่นมีสีมีรสเป็นที่ไม่ชอบใจอารมณ์ใจมันก็เป็นทุกข์อารมณ์ใจเมื่อเกิดอาการงุนง่านเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ความงุนง่านความไม่สบายใจเกิดขึ้นร่างกายมันก็สุดโทมเพราะความไม่พอใจมันเป็นไฟเผาผลาญตามที่กล่าวมาแล้วในพรหมวิหารสี่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 ในเมื่อสภาวะของอาหารมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เราจะไปนั่งหลงไหลใฝ่ฝันในรสอาหารเพื่อประโยชน์อะไรในสำหรับอาหารเรยปฏิโกไดสัญญานี้ในตอนต้นท่านสอนบอกว่าจงอย่าถือในรสจงถืออย่าถือในสีจงแต่ถือในกลิน่นเราจะกินเพื่อ ย, ยังอัตภาพให้ทรงอยู่เท่านั้นเพราะร่างกายมันต้องการอาหาร ทีองค์สมเด็จพระพ毗ถมานทรงตัดว่าสเพสตาอาหารธิกาเว่าร่างกายเขาสัตว์ทั้งหมดต้องมันอยู่ได้ด้วยได้เพราะอาหารอยู่ได้ด้วยเพราะอาหารถ้าขาดอาหารเสร็แล้วมันก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้เทียมที่มันยังทรงตัวอยู่นี่ยังไม่ถึงเวลาที่มันจะตายถ้าไม่มีอาหารเป็นเปรยเข้าไปไขมันมันก็มีทุกขเวทนา คือร่างกายธาตุสี่ไม่สมบูรณ์กันถ้าไม่กินอาหารเข้าไปแล้วก็ไอ้ธาตุดินมันก็หย่อนถ้าไม่กินน้ําธาตุน้ํามันก็หย่อน อ, อาหารมันก็มีธาตุน้ำแต่พี่บอกทั้งธาตุน้ําและธาตุดินต้องปนเปื้อนเข้าไปธ <c oughs> าตุลมลมหายใจจัดว่าเป็นผัสสะอาหารถ้าไม่มี ถ, ถ้าขัดตกบกกร้องก็ตายไปเลยแต่ว่ายอ่อหย่อนร่งางกายก็ไม่เป็นเรื่องก็ต้องการอาหารเหมือนกัน ผัสสะหารคืออารมณ์ที่กระทบอากาศถ้ามันไม่มีมันก็เจริงเหมือนกันมโนสังเจตนาหารอารมณ์ของใจถ้ากระทบกระทั่งกับอาหารที่มันแหลงคือสิ่งที่ไม่ถูกใจอยู่เสมอมันมันก็มันก็พังเหมือนกันความสุขไม่มีมีแต่ความทุกข์นี่ยเราจะปรับปรุงมโนสังเจตนาหารก็ปรับปรุงที่ใจของเรา ใจของเราก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นของธรรมดาโลกนี้ที่เกิดมาจะพ้นจากโลกก็ทำไม่ได้มีลาบลาบมีแล้วลาบก็ะเซียมได้ยศมันแล้วลเลือกระเซียมมีนินทาก็มีดอนเสรินมีสุขก็มีทุกเมื่ออะไรไม่เกิดขึ้นก็ทำใจวางเฉยถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานี่เป็นอันว่ามนโนสัจเจตนาหาันมันก็สมบูรณ์ใจสบาย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 ที่เรากินเข้าไปมีผักมีข้าวมีหญ้าเมียแล้วก็ตามเธอสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากไหนมันมาจากความสกปรกเราจะเห็นได้ว่าปุ๋ยที่ให้กับพืชผักพืชพันธัญญาหารทั้งหลายไม่ใช่ขอสะอาดมันเป็นขอสกปรกเอากันเห็น ง, ง่ายๆ <c oughs> ถ้าพืชผักต้นใดหรือชนิดใดก็ตามอยู่ใกล้ส้วม ถ้าเป็นโซนธรรมดาที่รากมันจะอย่างลงมาในซโ้มได้พืชพันธัญญาหารต้นนั้นจะมีความงกงามอุจาระปัสสาวะที่เราถ่ายลงไปในซส้มมัสะอาดและมันสุกับปลกก็จะเห็นว่าสุกับปลกผู้ที่ปลูกสวนผักทั้งหลายเขาเก็บอุจาระไว้เป็นประโยชน์อุจาระปัสสาวะนี่เขาเก็บไว้ให้มันเป็นประโยชน์คือเขาไปละลายน้ําแล้วก็ใส่พืชพันธัญญาหาร ไอพืชพันธุ์นั้งหลายเหล่านั้นมันก็ปรากฏว่ามีความงอกงามขึ้นไม้แต่ต้นข้าวที่เราบริโภคเวลานี้ก็ต้องใช้ปุ๋ยเนื <c> ้อ <oughs> ปุ๋ยต่างๆปุ๋ยที่ดีที่สุดก็คือปุ๋ยคอกก็ได้แก่อุจาระของวัวเรากวายสิ่งนั้นหลายเหล่านี้ ม, มันสะอาจที่มันสกปกในเมื่อมันเกิดขึ้นมาได้เพราะอาศัยสิ่งสปกปรกและตัวมันเองมัจะสะอาดทีสปกปรก ในเมื่อที่เวลาเราจะมาปรุงอาหารเปเครื่องบริโภคเราก็ต้องมาชาระล้างเสียก่อนถ้าไม่ชาระล้างมาซะถ้ามาสะอาด จ, จริงๆเราก็ไม่ต้องชําระไม่ต้องล้างมันบาง ร, รายก็ถึงกั้แช่ ด, ด่างทับทิมก็มีเพื่อเป็นการทําลายโรคทําลายเหตุของความสกปรกที่มันจะทําให้เกิดโรคกับร่างกายนี่พูดถึงพื้นฐานเดิมมาทั้งสัตว์ทั้งหลายเนื้อสัตว์ที่เราต้องการบริโภค สะอาดทุกตัวมัสะอาดและมันสกปรกมันมีทั้งน้าเลือดน้าเหลืองน้าหนองมีวจาระปัสสาวะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราพิจารณาในในร่างกายคือกายคตาอนุสติกรรมฐานหรือว่าพิจารณาในธาตุสี่เจนว่าสัตว์ทั้งหลายก็มีธาตุสี่เหมือนเรามีอวัยวะเหมือนเรามีวจาระปัสสาวะมีน้ําเลือดน้าเหลืองน้าหนองเหมือนเรา ในเมื่อเราเคยพิจารณามาแล้วว่าร่างกายของเราสปกปรกนี่ร่างกายของสัตว์มาสะอาดแล้วสกปรกคนและสัตว์ที่บริโภคอาหารอาหารมันเป็นของสปกปรกและร่างกายของคนนั้นสร้างขึ้นมาได้แตด้วยของสปกปรกเมื่อสร้างขึ้นมาจากของสปกปรกร่างกายมาสะอาดแล้วสกปรกหมด เป็นอันว่าร่างกายทั้งร่างกายเนี่ยไม่มีอะไรสะอาดเพราะมันสร้างมาด้วยความสกปรกนี่สัตว์ทุกประเภทก็เหมือนกันที่มันจะเติบโตขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยสิ่งสกปรกเป็นอาหารของมัน <c oughs> ในเมื่อมันได้สิ่งสกปรกเป็นอาหารของมันแล้วมันจะสะอาดด้สกปรกมันก็สกปรกบางท่านจะแก้บอกว่ามันก็มาหมดกันสกปรกกอ็อตอนที่มาตั้งไฟทาสุกแล้ว ตอนนี้ยิ่งพิจารณาง่ายว่ามันสกรปรกใหญ่เ <c oughs> พราะเราขอสกรปรกหลายประการเข้ามารวมกันการปรุงอาหารแต่ละคราวทั้งใช้ของหลายอย่างทั้งเนื้อและพืชพันธุ์พืชผักทั้งหลายและเครื่องปรุงสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้ไม่เกิดมาจากความสกรปรกเหมือนกันหมด <c oughs>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 อย่างพืชผักทั้งหลายนี่มันมีสีเขียวยังสดใสหยิบมันแล้วมันไม่มีอะไรเพื่อนมือมากนักจะมีก็เพียงฝุ่นละอองที่ติดที่ติดมันมาเพื่อนมือเราแต่ถ้าพอไปกรกอบข้าเป็นอาหารข้าโอ้โหดูไม่ได้เลยมันมีกลิน่นข้าวกลิ่นอะไรตัวไรทุกอย่างเกลือนกลัว ก, กันไปหมดติดมือเห็นชัดถ้ามือไปแตะมัน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 ต้องรีบเข้าห้องน้ําล้างมือร่างไม้ว่ากันจีปาถะไม่เหลือเล่ากันเรียบไม่มันเหลือเอาน้ําล้างไม่พ อ, อสบู่ฟอกเอาอะไรตัว อ, อะไรมาฟอกปืนฟอกไม้กันเ อ, เอาแปรงเข้าไปแปรงฟันอาญาซีฟันเข้าไปทูบบนปากเอายาแก้มเหม็นปากทิตริงเข้าไปอมแล้วก็ บ, บ้วนทำบ้วนทําไมก็คลายกลิ่นเหม็นจากปาก ไอ้ใครกินเหม็นจากปากมันกินอะไ ร, ระก็กลิ่นจากอาหารที่เราชอบใจที่สุดที่เรากินมันเข้าไปเป็นอันมาได้เรื่องที่ครานี้ได้เรื่องเพราะอะไรได้เรื่องเพราะว่าเราล่อขอสกปรกเข้าไปแล้วนี่ไอ้ของสกปรกหลายๆอย่างเข้ามารวมกันมันก็เพิ่มความสกปรกนี่เห็นแล้วได้ยังว่าอาหารสกปรก อย่าลืมนะว่าฮาเร่ปฏิโละสัญญาพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้สําหรับคนฉลาดเท่านั้นคนโง่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้ถ้าโ ง, ง่จริงๆโง่งับเงือกแล้วก็ท่านสอนเฉพาะอานาปานุสติกรรมฐานเท่านั้นให้กําหนดลูดลมให้ใจเข้าออกอย่างเดียวไม่เคยสอนภาวนาและพิจารณามายัางไงทั้งหมดไม่มี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 ถึงแม้ว่ายังไม่มีการคล่องตัวจะไปได้เพียงค่อยค่ชั่วเห็นของทั้งหลายเหล่านั้นได้ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็ก็ยังดียังมีโอกาสสอบสวนคําสั่งและคาสอนขององค์สมเด็จพระชินนสีนี่คนฉลาดประเภทนี้พระพุทธเจ้าสอนชั้นยอดคืออารมณ์ของพระนิพพานเมื่อคนฉลาดแต่องค์สมเด็จพระบระโมโล ก, กนาดให้อารมณ์พระนิพพานเลย อย่างอาหารเรเปรีโกสัญญาทาตสีมรณานุสติกามัฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปสมานุสติกามฐานถือพระนิพพานเป็นอารมณ์เห็นไหมละ่ะถ้าไม่ได้สอนทรงเดชท่นนี้การที่พูดมา น, นี่สําหรับคนที่ยังเข้าใจไม่ถึงไม่ถึงอ่ะก็อย่าเพิ่มเป็นกลุ่มวางใชอย่าไปสนใจไปสนใจเฉพาะกามันฐานกองใดกองหนึ่งมันมีทั้งสี่สกองในกามัฐานสี่สบ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 มีความรู้สึกอยู่ว่ามันมันจะต้องตายสักวันหนึ่งเมื่อพิจรารณาอาหารเป็นของสกปรกก็มาพิจรารณาร่างกายว่าร่างกายของเราเมื่อกินของสกปรกเข้าไปแล้วมันสร้างร่างกายของเราขึ้นร่างกายของเราจะสกปรกจะสะอาดก็เห็นว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสกปรกให้เมืม่อร่างกายของเราเต็มไปด้วยความสกปรกเราจะพอใจมีมันต่อไปหรือไม่ สิ่งใดที่เป็นของสกปรกเราไม่ต้องการฉันใดร่างกายของเหานี้ที่สร้างขึ้นมาด้วยอาหารสกปรกเราก็ไม่ต้องการฉันนั้นถ้าเราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้เราจะทำยังไงโออันนี้ตัดง่ายเหลือเกิน <c oughs> เราก็พิจารณาต่อไปว่าร่างกายนี้นอกจากจะสกปรกแล้วมันก็มีสภาพไม่เที่ยง ออะไรเพื่อเกิดขึ้นมาก็เสื่อมไปเทียนน้อยด่นน้อยสุดสนไปในที่สุดก็เป็นนัตตาสลายตัวถ้าจิตใจเรายัางยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็จะสร้างความทุกข์ให้เกิดไม่ได้สร้างความสุขมันสร้างความทุกข์นี่เราก็จะยึดถือมันเพื่อประโยชน์อะไรหรือว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาสอนเราแล้วถ้าเราก็มีปัญญานี่ คนนี้พอใจในกรรมฐานสี่อย่างตามที่กล่าวมาในด้านของพุทธจริญคนประเภทนี้เป็นคนมีปัญญาก็มานั่งพิจารณาความจริงจากร่างกายของเราว่าวันหนึ่งวันหนึ่ ง, นนงมันมีความสุขเท่าไรมันมีความทุกข์เท่าไรเอาเฉพาะในเรื่องในร่างกายของตัวกิจภายนอกอย่างไม่ต้องพูดกันกิจภายนอกที่มันทําให้ร่างกายมีความลําบากทําให้จิตใจมีความลําบากมันมากมายกายกอง เอาแต่เรื่องในตัวเราเท่านั้นเตอนขึ้นมาเช้าถ้าเราไม่ล้างหน้าเราไม่แปรงฟันมันมีความรู้สึกยังไงลำาคติ่นเหม็นจากปากหน้าตาเมื่เกิดกลังอาการไม่พอใจอาการลำาคเกิดขึ้นมันไม่เป็นอาการของความสุขและความทุกข์เตอนขึ้นมาเช้าปุจจา ร, ประปัสสาวะถ้าไม่มีโ อ, อกาสไปขับถ่ายไม่มีไม่มีโ อ, อกาสไปขับถ่าย มันต้องถูกทรมานใจมันเป็นความสุขและความทุกข์ตื่นขึ้นมาเช้าถึงเวลาตอนสายในเวล า, าหารถ้าเราไม่ได้บริโภคอาหารมันสุขถ้ามันทุกข์ทั้งๆ ท, ที่เราบริโภคอาหารอยู่อย่างนี้ร่างกายก็แก่ลงไปทุกวันทุกวันความเสื่อมโทนมของร่างกายกำลังไม่ดีหูไม่ดีตาไม่ดีคว า, านจาก็ผันเฟืนื่น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 ถ้าเราคิดว่าร่างกายมันเป็นเราเป็นของเรามันตายจริงๆมันจะตายขึ้นมามันเป็นากายของความสุขหรือความทุกข์ถ้อขึ้นชื่อว่ามันก็เป็นความทุกข์ทั้งหมดถ้ามันทุกอย่างนี้เราจะพอใจในร่างกายเพื่อประโยชน์อะไรองค์สมเด็จไปจอมไตรชนซีทางไว้แล้วว่าเราต้องการพ้นจากความทุกข์เศรกิจขึ้นความทุกข์ไม่ต้องเวียนว่ายในวัดนัตายเกิดในวัดตา นั่นก็คือทิ้งขันห้าทุกอย่างเดียวคำว่าทิ้งขันห้าก็เรียกว่าวางจิตเป็นสังขารลบเปขียหายานไม่ยึดถือว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราไม่ยึดถือร่างกายของบุคคลอื่นว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วก็มายึดถือสุขสิ่งทุกอย่างในโลกว่าเป็นเราเป็นของเราทำจิตใจใไปให้วางเฉยเป็นสังขารลเปขาี ย, ยายน วางภาระทั้งหมดไม่กําหนดว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราทั้งหมดเมื่ออยากจะตายก็เชิญตายอยากจะป่วยกว็เชิญป่วยอยากจะแก่ก็เชิญแก่อยากจะพังก็เชิญพังแค่นี้ก็สบายอารบันดาท่านพุทธบริษัทธท่านหลายผู้รับฟังเป็นอันว่าอาหาเรปฏิกรสัญญาฟังมาทั้งสมถะและภาวะวิปัสนาญาณอารมณ์จิตของท่านจะเข้าถึงระดับไหนมันเป็นเรื่องของท่าน อาตมาก็ถือคําว่าคาตารูตุตธถธาคาตาในเมื่อพระพุทธเจา้าทรงตัดว่าตถาคตเป็ น, นเพียงผู้บอกชั้นใดอาตมาก็เป็ น, นเพียงผู้บอกชช่นนั้นผลนี่ท่านจังหลายจะพึงได้ก็ได้โดยสายตัวตนเองเป็นสําคัญสําหรับวันนี้หมดเวลาเสร็จแล้วขอลาก่อนขอความสมหวังขบรนดาพัานธุพุทธศาสนิกชนนั้นหลายที่ตั้งใจไว้เพื่อมากผลโยงได้กับจิตใจของตอนรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวัสดี